ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเปลี่ยนชีวิตด้วยฤทธธรรมตอนที่สองโดยสมณทซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่15ากรกฎาคม2546ันาบณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาะบัตรนี้คะ่ะ อาสนิข้อที่สาวิจารณจัดว่าจะต้องรู้จักประมาณในเรื่องของการกินการใช้ครนะอบครัวไหนจะตั้งอยู่ได้นานโรงเรียนไหนนะ จ, ะจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ยาวไกลก็จะต้องรู้จักประมาณในเรื่องการกินการใช้เริ่มจากตัวเราเองก่อนทุกวันเนี่ยถามตัวเราเองว่า แค่เรื่องการกินเป็นยังไงกินฟุ่มเฟือยไหมกินสุลุ่ยสุร่ายไหมกินเล่นเล่นหัวหัวไหมเพราะนักพิสูจเนี่ยก่อนฉันอาหารทุกครั้งผู้เจ้าสอนเลยว่าจะต้องหัดพิจารณาอาหารเราเรียกว่าปัจจเวกนะถ้าเป็นภาษาพระนะอาจจะต้องพิจารณาอาหารพิจารณาอาหารเลยบพรพวกอาตมาเนี่ยก่อนจะฉันอาหารเนี่ยจะต้องพิจารณาอาหารนี้ ใครไม่พิจารณานี่ถือว่ามีความผิดนะเพราะจะต้องพิจารณาอาหารเนี่ยเหมาะที่เราจะกินไหมกินไปเพื่อยังกายขันนี้เท่านั้นนะไม่ใช่กินเพื่อประดับเพื่อตกแตง่งกินเล่นกินหัวอะไรต่างๆกินเพื่อที่จะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีเนี่ยจะต้องพิจารณาในการกินเพราะนั้นอันเนี้ยผู้เจ้าท่านสอนอันนี้กับคารวานเหมือนกัน เนี่ยจะต้องรู้จักประมาณในการกินกินเยอะไปหรือเปล่าทุกวันเนี้ยทุกวันนี้อาตมาชอบเรียกว่าทุกวันเนี้ยกินกันไม่มีมือ้อกินกันไม่มีมือ้อคือกินจูบกินจิบไปเรื่อยอะ่ะปรากฏว่าช่วงเขา้าพรรษาส่วนใหญ่นะเกือบทุกวัดที่ ท, ท, ที่ยังยึดมั่นในพระพุทธศาสนาดีอยู่ทุกวัดจะมีการตั้งตะบะั ไม่รู้เข้าใจคำว่าตะบะหัหยใครๆยังไม่เข้าใจบ้างไหนลองคือคือไม่รู้ว่าตาบะคืออะไรอ๋อหลายคนอยู่เหมือนกันนะตาบะเนี่ยจริงๆมาจากคำภาษาบาลีว่าตะโปซึ่งแปลว่าความเพียรหรือว่าเครื่องเผาผลาญกิเลสนี่คือความหมายของคำว่าตาบะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะแปลว่าเครื่องเผาผลาญกิเลสเพราะนั้น การมีตาบะเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะตั้งอกตั้งใจเข้าพรรษาสามเดือนนี้นะเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะมาตั้งกับพร ะ, ะหรือว่าบางคนก็เขียนมาเลยนะความตั้งใจที่จะทำดีพรรษานี้จะเลิกเล่าเนี่ยเหมือนที่เขาโลนด์ลงอเนี่ยจะเลิกเล่าจะเลิกบุหรีจะเลิ ก, เลเล ก, เลกการพ น, นันจะเลิอกอบายามุกอันนี้โดยทั่วๆไปแต่บางคนเนี่ยอบายามุกพวกนี้ก็ไม่ติดละ เขาก็มาตั้งตาบะว่าคือเขารู้นิสัยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอย่างเช่นอารมณ์ร้อนขี้โกรธเขามาตั้งตาบะว่าตลอดพรรษานี้นะจะไม่โกรธถ้าวันไหนโกรธจะกินจะเข้าเปล่า <c oughs> เขาก็จะตั้งตาบะเพื่อที่จะแบบว่าแก้ไขตัวเองให้ได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่บกพร่องของตัวเองนะเนี่ยน น, นี่แค่ยกตัวอย่างหรือบางคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วยบ้างแต่ขี้เกียจบริหารร่างกายขี้เกียจออกกาลังกายเพาจริงจรนะิงเนี่ยรู้นะไม่ใช่ว่ามีมีคนถ้าเราบริหารร่างกายทุกเช้าหรือว่ามีเวลาเย็นตอนไหนบริหารร่างกายสุขภาพเราจะดีกว่านี้รู้แต่ขี้เกียจบางคนก็บอกผมไม่ขี้เกียจนะผมขยันนะแต่ผมติดการงานอาตมาก็บอกว่า แมกูจะติดการงานจนกระทั่งหาเวลาเล็กๆน้อยๆห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างไม่ได้เหรอมาแว่งแข็งมาลุกนั่งมาซิดอัพมาอะไรบ้างไม่ได้เฉลย์สัก5้านาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้เอาอย่างน้อยก็ยังได้เปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมนั่งทํางานนานๆเนี่ยสุขภาพเสียนะจริงๆเนี่ยเขายังแนะนําเลยว่าเออนั่งทํางานนานๆเนี่ยบางทีสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หน้าเปลี่ยนอิริยาบถคุณมาเดินก็ได้ เดินแบบพระท่านกันเนี่เดินจงกรมใช่ไหมเดินจงกรมนี่ถือว่าเป็นการบริหารแบบของพระนะการเดิน เ, เขามีนะเดินแล้วอายุยืนยาวเดินแ ล, ล้วโรคภัยไข้เจ็บหายก็มีแค่การเดินนี่แหละแต่บอกตรงๆงเลยว่าบางทีคนเราขี้เกียจรู้อยู่กับใจเลยบางทีนึกได้นะเออน้าจะบริหารร่างกายบ้างในะวันนี้แต่ขี้เกียจก็เลยไม่ได้บริหารเพราะฉะนั้น คนนี้บอกอา้าวพรรษาเนี่ยเขาจะตั้งตาบะจะบริหารร่างกายทุกวันวันละอย่างน้อยยี่สิบนาทีเนี่ยเขาจะตั้งตาบะเพราะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาบัตยังรู้สึกว่าเออคนนี้คนนี้เริ่มเริ่มรู้จักตัวเองละรู้จักการกินรู้จักการใช้ชีวิตของตัวเองละที่จะใช้แล้วให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไม่ไปเจ็บป่วยได้ไข้ เพราะคนที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยจะปฏิบัติธรรมก็ทำได้ง่ายส่วนคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ผู้เจ้าตรัสเลยว่าปฏิบัติธรรมได้ยากคุณกระสอะกระแสไอโน่นไอนี่ โ, โหจะมาให้งดมาให้เว้นนั่นนันมันไม่ไหวละเพราะนั้นเราจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยถึงจะปฏิบัติธรรมได้ดีด้วยแล้เพราะอันนี้เรื่องการกิน นะแล้วก็เรื่องของการใช้ต่างๆกินคราวนี้เราเริ่มหัดมีมื้อขึ้นมาบางคนกนีก่ชอบบ่นนะอ้วนอ้วนอยากจะลดอยากจะลดพุงนะแต่ก็กินอยู่เรื่อยเลยกบางคนเขามาตั้งต่บัตบอกอ้าตลอดสามเดือนนี้จะตั้งใจกินให้เป็นมือ้อจะเลิกกินจุบจิบนะบางคนเขากินสามมือ้อนะเอาสามมื้อก็สามมือ้อ แต่ไม่กินเล่นกินหัวนอกเวลาไม่กินน่าจะกินแต่ในเวลาเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่บีบางคนนะบอกว่ากินมื้อเดียวแต่มื้อเดียวของเขาจะยาวมากเลยนะเกือบทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้มื้อเดียวอันนี้ใช้ไม่ได้มื้อเดียวก็ที่เรากินปกติเนี่แหละนะ่กินเป็นมือ้อเป็นคราวแต่วิการะโภชนานีค่คือไม่กินนอกเวล า, าไม่กินนอกมือ้อนอกเวลาของเรา วันเนี่ยก็ไปฝึกไปตั้งจิตตั้งใจนะะหรือว่าบางทีเคยกินยังไงอะ่ะกินของโอ้โหต้องกินของแพงๆนะเขาบอกว่าที่ไหนอร่อยโอ้โหต้องไปกินที่นั้นนะทั้งไปก็ไกลทั้งก็เสียเวลาคือเราติดรสชาติเราติดความอร่อยมากนะเราติดไอ้ที่เขาโฆษณาวนก็เลยปรากฏว่าต้องต้องสแสวงหาต้องไปกิน น้นกินนี่กินนั่นเงินไม่มีวันพอใช้อย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อ น, นี้เป็นเรื่องของการประหยัดทั้งเรื่องเงินทองประหยัดทั้งเรื่องสุขภาพกายแล้วก็ใจจะไม่ต้องไปสูญเสียพวกนี้มากนันเนี่ยเอตาตมาพูดคร่าวๆก็แล้วเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือเรื่องของเครื่องใช้ต่างๆนั้นเป็นข้อที่สส่วนข้อที่สี่ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากที่สุดทั้งสมข้อนั้นเนี่ย จะสำเร็จผลไหมถ้าทำข้อที่สีเนี่ยอาตมาว่าถ้าทาข้อที่สีเนี่ยรับรองเลยสำเร็จผลแน่เพราะข้อที่สีนี่ผู้เจ้าบอกว่าบ้านไหนครอบครัวไหนที่จะอยู่ไปได้ยั่งยืนยาวนานเนี่ยจะต้องตั้งผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยนะผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามจะต้องเป็นผู้มีศีล อันนี้ผู้เจ้ากําหนดไว้เลยเพราะถ้าผู้เป็นใหญ่ในบ้านนั้นในครอบครัวนั้นในโรงเรียนนั้นหรือในประเทศนั้นไม่เป็นคนมีสีแล้วมันจะไปรอดยังไงอย่างงี้ก็ยิ่งถ้าถ้าเป็นใหญ่เป็นอะไรอ่ะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรที่ยิ่งมีอำนาจเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในประเทศอย่างนี้ยิ่งทําไม่มีศีอย่างเงี้ยคุณคิดดูสิโครงการหรืออะไรต่างๆที่จะสนับสนุนประชาชนเนี่ย รับรองเลยในที่สุดหนีไม่พ้นอบายามุกเข้ามาแน่นอนอาจจะแบบสนับสนับนุนอะไรคาสิโนสนับสนุนเปิดโรงเหล้าซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะถ้าศึกษาธรรมะน้ามีพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่มันเป็นอบอายามุกอะ่ะใช่ไหมไม่ควรไปสนับสนุนหรอกคนจะติดกันบ้างก็ติดไปอะ่ะ เท่าที่จะบอกจะแน่ได้แต่ไม่ควรไปสนับสนุนใช่ไหมถ้าผู้เป็นใหญ่เป็นผู้มีศีลแต่ถ้าไม่มีศีลนั้มาถึงบอกยิ่งนานวันยิ่งนานเดือนยิ่งนานปีนะผู้เป็นใหญ่ภายในบ้านนั้นก็จะยิ่งเอาตามกิเลสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะเรื่องหนังละครก็จะหยาบกล้ามขึ้นเนี่ยจะสื่อต่างๆนี่จะยิ่งเลวไร้ขึ้น นะอาหารการกินชีวิตที่ใช้อยู่เป็นประจำนะจะเป็นกิเลสตัณหาอะไรพวกนี้จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ได้มีศีลอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นข้อที่สี่นี่เป็นข้อรวมยอดนะที่จะทำให้สามข้อต้นนั้นสำเร็จได้เพรา ะ, ะั้นอาตมาเนี่ยเอาสี่ข้อนี้มาพูดโดยคร่าวๆให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อที่เราเผื่อจะได้แนวคิด นะที่จะแบบว่าเออบางทีเราจะเอาไปบริหารตนละ่ะเราจะอยากจะให้เราเนี่ยนะอยู่ได้มั่นคงยาวนานหรือแม้แต่มีอายุได้ยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเอาสข้อนี้ไปทำนะหรือเราอยู่ในครอบครัวไหนอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขความจเจริญได้เอาสข้อนี้ไปทําหรือเราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเราก็เอาสข้อนี้ไปทํา รับรองใโรงเรียนนั้นก็จะเป็นอยู่ภาศกิณานะอาตมาก็อาจจะพูดไปยาวนานพอสมควรนะใจจริงๆอยากบอกว่าไม่อยากมาพูดลักษณะนี้เลยอยากจะคุยกันมากกว่าวันช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจาคิดว่าพวกเราที่บางทีฟังอาตมาไปแล้วอาจจ ะ, ะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะคัดคัดค้านหรือคัดแย้งอะไรด้วยเนี่ยได้ เพราะอันนี้เป็นสิทธิทอยู่แล้วทุกคนสามารถที่จะคิดตามที่เร า, เามีเหตุผลอย่างของเรานะต่อจากนี้ไปจะเปิดเวลาว่าให้ให้แบบว่าซักถามนะเผื่อใครที่คิดว่าอยากจะถามอะไรก็ก็เชิญได้เลยมีมาสองแผ่นสองแผ่นนี้รวมแล้วแปดข้อเดช่ไเผื่อใครถามเสร็จนะคะอ๋อ อันนั้นเผื่อใครจะถามสดนะ น, นี่หนึ่งมีผู้ถามว่าสีของจีวรระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนแตกต่างกันอย่างไรวงเล็บพระระดับสูงของสถาบันก็หมอีกสีหนึ่งระดับส ม, มถะเหลือเกินระดับส ม, มถะก็ใส่อีกสีหนึ่งไม่รู้จะจะเขียนมาถูกไหมนะ จริงๆสีจีวรเนี่ยมันมีถ้าเราเรียกทั่วไปเนี่ยสีสีน้ำตาลไม่หรือสีแก่นขนุนใช้ได้สีแก่นขนุนคือสีเหลืองหม่นๆ น, นะสีเหลืองแบบหม่นๆไม่รู้ไม่รู้ใครใครพอจะเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นใช้ได้คืออันนี้นี่อยู่ที่วินัยอยู่ที่การบัญญัติของพระเจอเจ้า ถ้าบวชอยู่ในาศาสนาพุทธเนี่ยท่านห้ามไว้หลายสีสีแดงสีดำสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีอะไรพวกนี้ที่ท่านบอกว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ใส่ไม่ให้คลองกีบอมแบบนั้นนะอันนี้มันมีบัญญัติเพราะนั้นอันนี้ต้องทําตามบัญญัติอยู่แล้วที่พู้เจ้าท่านกำหนดเอาไว้ เพียงแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยทั่วไปเราอาจจะค่อนข้างเห็นไบในเชิงสีขมิน้นสีส้มสีอะไรแต่จริงๆถ้าจะให้ถูกเนี่ยท่านน่าจะใช้ให้เป็นสีสีแก่นขนุนให้ให้เป็นสีหม่นซะค่อนข้างศาสนาพุทธเนี่ยค่อนข้างให้ใช้เป็นสีหม่นเพราะยิ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยเราไปใช้ผ้าที่ทิ้งแล้วนะแต่ก่อน เดี๋ยวนี้เขาเรียกถอดผ้าป่าจริงๆมันต้องเอาผ้าที่ทิ้งแล้วนะไปแขวนไว้ตามต้นไม้ต้นอะไรนะเสร็จแล้วก็บางทีผ้าห่อศพ บ, บ้างอย่างเงี้ยนะต้องเอามาย้อมน้ําฝาดเอามาใช้เพราะฉะนั้นสีจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีหมองจะไม่ใช่ไม่ใช่สีสดใสสวยงามเพราะเราไม่แข่งกับคนโรคๆเขาว่านักบวชเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ําตาลที่เป็นเชิงหรือสีเหลืองที่เป็นเชิงหมนเป็นเชิงหมองลงมา นะไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปแข่งกับพวกโลกโลกีเขานะอันนี้อันนี้ให้เราเข้าใจไม่เกี่ยวว่าว่าเป็นอะไรนะถ้าเป็นเทระบวชเกินกับสิบพรรษาแล้วใช้สีเข้มเอ่อถ้าเพิ่งบวชใหม่ใช้สีอ่อนๆเพราะว่ายังเพิ่งบวชยังอ่อนอยู่ไม่เกี่ยวเลยนะเรื่องสีเข้มสีอ่อนไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าบางทีบวชมาเนะี่ยบวชมานานเข้านานเข้ า, น า, นขาอย่างอนามานเนี่ยแค่จีบวอนผืนนี้นี่ ยอมมาตั้งสามครั้งแล้วจีบอลผืนนี้ใช้มาเป็นสิบกว่าปีละยอมมาตั้งสามครั้งนละจีบอลผืนนี้เพราะว่าพอใช้ไปใช้ไปมันก็สีดมันก็ตกไปเรื่อยนะก็ต้องยอมพอย้อมใหม่ทีไรก็เข้มปึกเลยเพราะว่ายอมเข้มเข้มไว้ก่อนว่าเดี๋ยวใช้ไปใช้ไปสีมันจะสีดลงสีล ง, ดลงโดนแดดโดนฝนโดนอะไรซักล้างบ้างมันจะอ่อนลงไปจางลงไปเรื่อยเรยนะอันนี้ก็ อธิบายพอให้เข้าใจนะส่วนข้อสองถามว่าพระชั้นสูงไม่บินทบาทผิดวินัยสงหรือไม่คืออันนี้อาตมาบอกแล้วถ้าศึกษาตามบัญญัติตอนจะบวชเนี่ยพูะพเจ้าเนี่ยจะมีให้นิสัยสีย่คือเป็นนิสยัยถ้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแล้วต้องทำให้เป็นนิสยัยมีง่ายๆอยู่สี่ข้อ หนึ่งก็ต้องบินทบาทใช่ไหมเรานึกถึงศีลกันแหละหรือไอคถึงปัจจัยสีข่ของของคาวาดอะ่ะมันจะคล้ายๆกันปัจจัยสี่มีอะไรบ้างสมมติอาหารใช่ไหมเนี่ยคือเป็นนิสัยเลยพระจะต้องไปบินทบาท อ, อาหารเสร็จไรเครื่องดูดผมนี่ยแหละเครื่องดุมห ม, ห ม, หมก็จะต้องใช้จีวรน ใช้ผ้าสามผืนอ่าคือพูด ง, ง่ายๆว่าอย่าไปมากๆอย่าไปต้องแหมโอ้โหจีบอก็ต้องมีเยอะแยะมีหลายผืนอะไรนะพยายามยิ่งถ้าหัดใช้ผ้าบางสกุลได้หมายถึงผ้าที่เขาทิ้งแล้วได้เนี่ยมันก็ยิ่งดีมันจะขาดบ้างก็หัดปะหัดชุนถ้ามันยังพอใช้ได้อันเนี้ยฝึกให้เป็นนิสัยอา้าวข้อสที่อยู่อาศัยสาหรับพระเนี่ย ท่านก็บอกอ้าวหัดให้อยู่โคนไม้บ้างอยู่ในที่ที่มันไม่ต้องไปมีบ้านช่องไม่ต้องมีกุดอะไรที่มันต้องโอ้โหสวยสดงดงามอะไรบางทีปากกฏก็ได้อยู่ใต้ต้นไม้อะไรเนี่ยก็หัดฝึกอันนี้ฝึกให้เป็นนิสยัยแต่เดี๋ยวนี้อย่างว่านะถ้าพระในเมืองบางทีไปหาที่ปากที่อะไรมันลาบากหน่อยอเพราะว่าเขาก็สร้างเป็นตึกามบ้านช่องไปหมด แตอย่างน้อยๆก็เอากรอยู่ให้มันเรียบเรียบง่ายๆแล้วกันใช่ไหมอย่าไปมีเฟอร์นิเจอร์ไปมีอะไรเยอะยะแยะๆนั่นแหละอย่าไปมีแม้ต้องมีตู้เย็นพัดลมทีวีอะไรไม่ต้องไปมีมนะเป็นนักบวชแล้วควรจะมักน้อยควรจะสันโดดเอาส่วนข้อที่สี่อ่ะปัจจัยข้อที่สี่คืออะไรยารักษาโรคแต่ถ้าสําหรับพระพุทธเจ้าท่านบอกอ่ะถ้ามีโยมมาถวายเพศ นะก็ ค, คือยาถ้าถวายยาเนี่ยอา้าวท่านก็ฉันรักษาโรคปลยไ ป, ไปแต่ไม่มีผู้ที่จะมาถวายยาท่านท่านก็ให้ใช่อะไรผู้เจ้าท่านให้ใช้อะไรเออก็ให้ใช้น้ามดูดเน่าหรือเอาพูดง่ายจีว่าบางทีเราอาจจะเคยจะยินเพราะว่าเมื่อไม่นานมา น, นี้เมื่อสองอาทิตย์ผุดผานมา น, นี่มึงมีทั้งออกทีวีมีทั้งลงหนังสือพิมพ์ว่าเขาดื่มฉี่กันนะนะ อ, อันนี้ฝึกไป น, นิสัยท่านจะมาเป็นนักบวชแล้วไม่มียูกยาอะไรที่ไหนรักษาก็ฮัดดื่มชีรักษาโรค อ, อันนี้เป็นสูตรที่ผู้เจ้าสอนให้เนี่ยเป็นนิสัยสี่อย่างซึ่งใครทําได้ก็นี่แหละแสดงว่ามีนิสัยของนักบวชอยู่มีนิสัยของภิกษุที่เป็นสมน เ, เป็นอ ะ, อะไรลูกศิษย์ที่ทําตามคําสอนของผู้เจ้าได้อยู่ ส่วนผู้ที่ท่านไม่ทําท่านอาจจะมีเหตุมีความจําเป็นอะไรนะถ้าบางครั้งบางคราวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทํำบ่อยๆทํำบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยอย่างอื่นแล้วอ่ะคราวนี้ชักจะไม่มีนิสัยสี่ข้อนี้แล้วเหลืออยู่ อ, อ้าวอาตมาก็อยากจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่รู้จะเป็นนักปวดได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงไหมละก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันี้ นะก็กทางอธิบายครับผมขอนามวสการด้วยความเคารพยิ่ง mm hmm. ผมตั้งข้อสังเกตว่าผมเป็นไดกวัดเก่าเนี่ยในประเทศไทยขณะนี้มีพระหนึ่งสายป่าคือวัดหลวงตาสองสายของอโศกสามของธรรมกายสี่หลวงพ่อหลวงปู่พุทธาห้าทั่วทั่วไปถ้าถามผมต่อหน้าพระคุณเจ้า และเพื่อนรวมรุ่นเนี่ยผมสามารถกราบสาดของท่านด้วยความเคารพยิ่งคือหน้าผากติดดินทุกครั้งผมไม่ได้เข้าไปสัมผัสมากแต่รู้ว่าขณะนี้พระคุณยาคือหลวงพี่จะรู้ว่าในสาของหลวงพี่เนี่ยมีกี่รูปในโลกนี้ตอนนี้มีทั้งหมดนะรวมสามสิบปีมานี่มีทั้งหมดไม่ถึงร้อยสี่ลูกครับผมเพราะนั้นในสิ่งนี้ผมเข้าใจแล้วก็ ดีใจเพราะว่าในในสายของท่านเนี่ยจะจะเดินทุดงเนี่ยผมเคยนิมนต์ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมขึ้นก็ได้สนทนาธรรมกันสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าขอให้เป็นกำลังใจต่อไปแล้วก็ผมอยากจะอาราธนาเวลาอยู่ใ ก, ใกล้ๆเนี่ยน่าจะไปแถวโรงเรียนผมผมจะพยายามเนะพราะผมอยู่ใกล้หลวงหลวงพี่ชินท่านท่านชิ น, นทำเวลาทำ ท, ำทำการการสอนจนหน้าสงสาร ผมมั่นใจว่าศาสนาจะกลับมาแน่นอนเพราะว่าเป็นมันเป็นทองแต่ไม่ใช่ทองเมืองการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเมื่อพวกเราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยกระเลียงที่อยู่แถวแม่ห้องสอนไม่เคยฆ่าตัวตายกะเลียงที่อยู่แถวเมืองการตักบาต ท, ทุกวันไม่เคยฆ่าตัวตายเหมือนคนกรุงเทพเพราะนิยมแต่วัตถุเพราะนั้นทำยางไรจะให้บาลานตัวเองเขารู้เองครับ ก็ผมก็ขอให้กาลังใจพวกคุณเจ้าด้วยความนอบน้อมแล้วก็ถ้าเผื่อพวกเราจะอาราธนากลุ่มของท่านพระคุณเจ้าไปไปเทศให้ลูกศิษย์ฟังก็คงจะไม่รังเกียจแล้วก็ขอให้กาลังใจด้วยความคารวะครับผมสาธุไม่ถามก็รู้นะอ่ะเดี๋ยวจะมาเวลาคงเหลือไม่มากนะรู้สึกว่านี่คำถามมาเยอะเลยคงจะตอบได้แค่สั้นๆนะนะ สำหรับแผ่นนี้เนี่ยข้อที่สามถามว่าพระสร้างศาสนสถานใหม่ทำถูกต้องตามหลักพระวินัยหรือไม่อย่างไรอาตมาว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆศาสนาสถานเนี่ยจะเป็นวัดวารามต่างๆนะตัวโบสถ์ตัววิหารตัวอะไรต่างๆอาตมาว่าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าอย่าสร้างให้มันต้องอะไรอะวิลิสมาราคือจะต้องให้มัน รวสนงดงามอะไรจนเกินไปนักก็แล้วกันค ว, ควรที่จะมุ่งประโยชน์คือสร้างแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ได้ดีหรือว่าได้มากผมมุ่งตรงนั้นแต่ถ้ามันจะไปเดือดร้อนจนถึงขั้นโอโ้โหต้องใช้เงินทองเยอะแยะมากมายญาติโยมก็ไม่ใยคนร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยอธิบาว่ามันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ญาติโยมมันถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามนะเล็กเข้าไว้น้อยเข้าไว้ แล้วก็สร้างให้มันเรียบง่ายอธิบาว่าจะมีประโยชน์ได้มากกว่าส่วนพระวินัยเนี่ยพระวินัยก็มีอยู่แล้วอะ่ะมีกําหนดมีอะไรอยู่แล้วถ้าพระท่านเนี่ยถ้าท่านจะกําหนดให้สร้างอะไรนี่ท่านก็ต้องกําหนดที่ด้วยนะกำหนดที่แล้วกําหนดให้สร้างมางอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาคิดว่าท่านก็คงไม่ไปทําให้มันผิดพระวินัยหรอกเอาข้อที่สีพระกุณเจ้าเคยมีมิติ สัมผัสกับนรกสวรรค์และการระลึกชาติหรือไม่อย่างไรโอ้โหแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยตอบกันเป็นวันๆเลยนะเนี่ยเอาว่าสัมผัสกับนรกสวรรค์ไหมสัมผัสบ่อยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหรู้เลยว่าแต่ก่อนไม่รู้นะว่าอย่างนั้นคือนรกทุกวันเนี่ยอาตมามาพบสวรรค์แล้วอาตมาถึงได้รู้โอ แต่ก่อนที่เราอยู่ในนรกถึงได้รู้สวรรค์ทุกวันนี้เนี่ยจิตใจปลอดโปร่งสบายไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยถือสาอะไรใครเขาเพราะนารกเนี่ยคือความสภาพคือสภาวะจิตที่เร่าร้อนนั่นเองเขาเรียกว่านารกอันนี้พระเจ้าตรัสยืนยนันมาเลยในพระไตรปิฎกเลยท่านบอกว่านารกก็คือสภาวะที่เร่าร้อนใจนั่นเองเราจะได้ยินคำนวนที่เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจมันก็อยู่อยู่ด้วยกันนี่แหละที่จริงแล้วเพราะมันอยู่ที่ใจเรานะไม่ใช่ว่าต้องเจาะบาดาลลงไปใต้ดินแล้วถึงจะไปเจอนรกนะต้องขี่เครื่องบินขึ้นไปแล้วถึงจะไปเจอสวรรค์มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้อย่างนั้นมันไม่ไม่ใช่เป็นการเปรียบเปรยผู้เจ้าท่านเปรียบเปรยเอาไว้วันสัมผัสอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เจอนรกสวรรค์อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้เจอนรกตอนนี้เจอสวรรค์แล้วถ้าเป็นสวรรค์แท้ไม่ใช่สวรรค์เบี่ยมนะถ้าเป็นสวรรค์แท้แล้วเนี่ยจิตใจเราเนี่จะสบายอกสบายใจนะเจอเจอใครใครเขาเราก็มีใจที่ดีๆกับคนอื่นเขานี่สวรรค์แท้แต่ถ้าสวรรค์ปลอมมีสวรรค์ปลอมเหมือนกันสวนรรค์ปลอมคือเราเอาแต่สบายของเราคนเดียวนะคนอื่นเขาจะ เจงเขาจะจมหายไปปวงเขาจ ะ, ะทุกข์ทรมานยังไงเรื่องของเขาฉันไม่สนใจด้วยอันนี้สวรรค์หลวงยังเป็นสวรรค์ปลอมอยู่ยังไม่ใช่สวรรค์จริงสวรรค์จริงนี่ก็อยู่ในโลกนี้ด้วยกันน่ะเราสบายเราได้ดีแล้วก็น่าที่จะให้คนอื่นดีด้วยคพาะะนศาสนาพูดเนี่ยถึงได้บอกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องมีทั้งสองส่วนถ้าเราเอาแต่ตัวเรารอดแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นทุกข์ยากลําบาก ป่อยให้คนอื่นยังอยู่ในนรกเราขึ้นสวรรค์นคนเดียวพออย่างนี้ไม่ใช่หลักการของศาสนาพุทธนะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้รู้ไว้ส่วนการระลึกชาติไม่ยากเลยระลึกชาตินี่ง่ายมากแต่เอาแบบของพุทธนะ <c oughs> คุณอย่าไปไอนึกแบบระลึกชาติที่อะไรนะเมื่อชาติที่แล้วที่ที่เร า, เามีชีวิตอยู่ในชาติที่แล้วจนกระทั่งตายตายเสร็จแล้วมาเกิดในชาตินี้โอ้โหบางทีอันนั้นร ะ, ะลึกยาก พระอาหารหันต์บางรูปยังระลึกไม่ได้เลยพระอาหารหันต์บางรูปมันไม่มีปัญญาที่จะไประลึกชาติแบบนั้นหรอกแต่ระลึกชาติที่ถูกต้องที่แท้จริงที่ถือว่าเป็นคุณวิเศษของศาสนาพุทธระลึกชาตินี่หมายถึงการที่เราเนี่ยสามารถที่จะนึกถอยไปเนี่ยตั้งแต่วินาทาัศนาทีนี้คุณจับได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยคุณระลึกเระลึกนี่คือการรู้อ่าระลึกนี่คือการรู้ตัวขึ้นมา อ่ารู้ชาตินี่แปลว่าการเกิดเข้าใจไหมระลึกชาติเนี่ยคือรู้การเกิดรู้อะไรเกิดโดยเฉพาะรู้กิเลสเกิดโอ้โหตอนนี้เกิดกิเลสขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้คุณระลึกได้ไหมทันทีนี้เลยหรือบางทีตอนนี้โกรธไปแล้วนะโกรธไปตั้งห้านาทีแล้วยังไม่ทันรู้เลยพอเลยไปห้านาทีแล้วโ อ, อเ้โหถึงเพิ่งเพิ่งนึกไดโอ้โหเมื่อกี้เราไม่น่าดา่าเข้าไปเลยนะ เราไม่น่าไปทุบไปตีเขาเลยนะคือไปรู้ตัวเอาคือไประลึกชาติได้เอาเมื่อพ้นห้านาทีไปแล้วบางคนนี่นี่คือการระลึกชาติแบบของพุทธวันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปเข้าใจแบบโอ้โหระลึกชาติที่ต้องย้อนไปกี่ชาติกี่ชาติที่เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยล้านปีอะไรเนี่ยเอา้าอันนั้นต้องต้องเก่งมากๆหรือว่าต้องอศึกษาต้องปฏิบัติจนกระทั่งไปได้ ไกลๆอย่างนั้นผู้เจ้าเนี่ระลึกย้อนไม่ได้ไกลๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคนระลึกย้อนอย่างนั้นจะคือคนบรรลุธรรมคนบรรลุธรรมไม่ระลึกย้อนอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องระลึกย้อนอย่างที่อาตมาบอกนี้ต้องระลึกให้ได้คือต้องจับกิเลสให้ได้ทันนะไม่ว่าจะวินาทีนี้หรือวินาทีที่แล้วต้องจับให้ได้แล้วจับได้แล้วทํำยังไงถ้าใครศึกษาธรรมะของาศาสนาพุทธ เราจะรู้เรื่องของวิชาสามใช่ไหมวิชาแรกก็คือบุพเพนิวาสานุสติญานเนี่ยระลึกชาติเนี่แหละอ่าใช่ไหมแล้วก็ต่อไปจุตูปปาตาญาณก็คือรู้การเกิดการดับเห็นไหมเพราะว่าคุณระลึกได้คุณรู้ได้คุณจับกิเลสได้คุณถึงจะเริ่มแล้อ่ารู้ว่าเนี่ยเกิดแล้วเกิดและกิเลสเกิดแล้ว เ, เ, เอ้ยมันจะทําให้มันดับได้ยังไงคุณจะต้องรู้แล้วก็ต้องทําพอทําได้แล้วมันถึงจะไปถึงที่สุด คือได้อาสวรขย้ายานคือได้ยานที่รู้ว่าเออนี่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหสมมุติคนติดบุหรีโอ้โหอยากอยากสู่จ้าสู่เห็นแล้วยังเห็นนรกก็ยังเห็นนรกของความอยากบุหรีก็ยังที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณจับได้ว่าโอ้โหนี่นรกเกิดแล้วหนอใช่ไหมกิเลสตัวนี้มันเกิดแล้วมันเล่นงานเราอยู่ละเราทุกข์ทรมานเพราะมันอยู่ตอนเนี้ยคุณจับได้เสรษฐกุณก็อ่าหาวิธีละที่จะดับมัน าบางทีฝืนบางทีกั้นใจไวย้ยังไงก็ไม่ไปสูบมาแล้วหรือบางทีหาอะไรมาอมแทนอย่าไปสูบบุหรี่มันอย่างเงี้ยคนนี้กำลังหาวิธีดับแหละดับไอ้ความใคร่ดับความอยากในบุหรี่นี้